จัลโลกาสิปริภามภิสกัอัญเีอัิวยาะสันติราิกาเอเังอนุกมมังกโมตโอระหโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตะ พะกวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะกวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะมักผ่านัตถังทิโคเสโตสัจจานังเจตุโรปทาภิราโคเสตโธธัมมานังทิปทานั่นะจจพุนา เอเสวะมัคโคนัฏฐานโยทัสนัตสวิสุตธิยาเอตันหิตุมเหปฏิปัชิฉะมาราเสนััปะโมหนังเอตันหิตุมเหปฏิปันนาทุกขสันตังอริสัทธิตีเอาเมโลงนั่งคัจมาธินั่งกรรมฐานหรือนั่งพระเพียบไลยตามวัฏยาศัายแข่งขาไม่ดีนั่งเก้าอี้ก็ไม่ห้าม วันนี้ถึงโอกาสที่เราท่านจะหลายจะได้ปฏิบัติธรรมะคือนั่งกรรมฐานสถานที่นี้เป็นที่ปฏิบัติไม่ต้องปนมมือเอามือลงวางไว้บนนันนะมือขวาตั้ต ม, มือซ้ายตั้งตัวให้ตรงหลับตาให้กําหนดที่หูภาวนาว่าได้ยินหนอะได้ยินห น, อ น, นอนานเข้าใช้คําว่ายินเนาะยินหนอยินเนาะ อ, อ, อยู่ที่หูนะไม่ต้องให้รู้เรื่องไม่เป็นไม่ใช่บาปไม่เป็นบาปนะ คือการฟังเทศทมีหลักอยู่ว่าหนึ่งฟังอวบุญหมายความว่าตั้งใจฟังกนนมเอือแต่ตามสาราวัดงั้นเขาเรียกฟังเอวบุญรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็ตามเรนน้อยเอาเวลามาอ่านใด้ฟังก็ตามตั้งใจฟังงั่นเขาเรียกฟังเอวบุญได้บุญโยตายหรือกิตดอนั่นไปสวรรค์ต่ำมามนุษย์ได้สองฟังเอาควรู้อันนี้ต้องจํามีกระดาษเขียนมีเท็จบันทึกไว้ อย่างนี้เหลยกว่าฟังเอาความรู้สามฟังพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างว่งคนไถานาเอาวิทยุทานเซตเตอร์แผ่นไว้ต้นไม้ถ่ายไปฟังเทศไปไล่ไฟไ ป, ไปไนี่บางคนทอพดก่วยแครก็แล้วก็ฟังเทศไปโมทีฟังเทศเพลินห่อกระทะก๋วยแครกถูกไฟไหม้ตรงนี้นี่อันนี้เขาเรียกว่าฟังเพื่อเป็นอุปนิสัยปัจจัย พอทีซีฟังปฏิบัติพวกเรานี่เห็นฟังปฏิบัติเพราะเป็นนักปฏิบัติฟังอย่างไรฟังกําหนดตามกําหนดที่ไหนที่หูของใครของตัวเองไม่ใช่มากําหนดที่หูของพู้เทศเพราะเสียงของผู้เทศไปกระทบหูผู้ฟังขันท่ามันเกิดจิต ท, ที่ตรงนั้นบุมก็เกิดตรงนั้นกิเลสก็เกิดตรงนั้นเมื่อเสียงกับหูกระทบกันนั่นแหล ขันท่เกิดอารมณ์วาิปัสนาอยู่ตรงนั้นภพความวิปัสนามี6กเรียกว่าวิปัสนาภพหกขั น, นท่าอายจัตนะณะธาตินทรีอริยรสัตวปฏิจจสมุบาทขันท่ามันเกิดที่หัวตรงไหนลราเป็นขันท่าหนึ่งหัวสองเสียงนี่เป็นรูปตรงไหนเป็นเวทนาเราได้ยินเสียงแล้วถักใครสบายก็เวทนาใครรู้สึกเฉยเฉยก็เวทนาใครรู้สึกหนวกหูก็เวทนามันเป็นสองขันท์ และวจำได้ว่าก ำ, กำลังได้ยินเสียงนี่สัญญาผู้จำได้แต่งให้เห็นว่าเสียงนี้ดังหรือไม่ดังชัดหรือไม่ชัดดีหรือไม่ดีนี่เป็นสังขารที่ได้ยินแว่วๆไม่ใช่หูวิญญาณคือจิตโลกเพราะว่าหูได้ยินจิดแท้ไม่ใช่หูคนตายหูก็มีแต่ไม่ได้ยินผู้ที่ได้ยินนะคือโสตวิญญาณจิตจิตตัวงหนึ่งอาศัยประสาหูเกิดขึ้นได้ครบท่าพันพอดีย่อก็เหลือสาม หนึ่งเสียงกับหูเป็นรูปคงไว้เป็นรูปสองเวทนาสัญญาสังขารย่อเป็นหนึ่งเรียกว่นานามเป็ น, น, นจิตสิกเขาเรียกนามจิตตสิกสามพู้เทือด้ยินนันคือจิตเขาเรียกนามจิตและย่อสามให้เหลือสองหนึ่งรูปคงไว้สองนามจิตสิกกับนามจิตย่อลองเป็นหนึ่งเรียกว่นานามห้าขันว่าแล้วก็เหลือสองคือรูปปัตนามนี่เลยคือรมมูปของมิปัสสนา มันเกิดที่หัเกิดที่ตาจมูกริน้นกายใจได้ทั้งหกทางขณะนี้มันเกิดทางหัวจึงให้กำหนดที่หัยวได้ยินเนอะยินเนอะยินเนอะยินเนอะว่าเร็วก็ได้อย่าให้นี้จับหัวเขตัวเองขันท่ามันเกิดกับที่ตรงนี้ศีลสมาธิปัญญาเกิดเกิดตรงนี้มรรคแปดก็เกิดตรงนี้กกนในใจไปให้กำหนดที่อื่นอันนี้เหลยกว่าฟังปฏิบัติสมัยพระพุทธเจ้าฟังอย่างนี้ฟังจบข้างหนึ่งจึงได้สําเร็จมากคนนิพพานกัน แต่ถ้าฟังอคาความรู้ไม่สำเร็จเช่นพระอานตุตฟังมากที่สุดในพระศาสนานี้เรียกว่าเป็นพู้รู้สูบไม่มีใครตดสู้ได้ฟังมากจํามากพระอานนุนารที่จะอุปถัมภ์ขอพรพิเศษไว้ขอพรไม่ถึงแปดข้อพรหนึ่ ง, งมีข้อหนึ่งว่าถ้าพระองค์ไปเทศที่ไหนที่ไหนทําไมถึง ไ, ไปด้วยกลับมาขอให้ประเทศเถียงจึงจะรับอุปถาม พระพุทธเจ้าถามอาโน์เธอเห็นเหตุผลอย่างไรจึงขอพร อ, อย่างนี้ก็กราบทูลว่าถ้าเขามาถามมีคนมาถามว่าธรรมบทนี้พระพุทธเจ้าเทศที่ไหนถ้าข้าพระองค์ตอบไม่ได้เขาก็จะโทษสมเด็จพ่อโทษข้าพระองค์ว่าปฏิบัติมาจนอยู่กับล้มพ่ามาขนาดนี้แค่นี้ท่านก็ไม่สงเคราะห์หรือแล้วจะปฏิบัติไปทําไมเขาก็จะดูถูกปีชินนินเทาได้พระพุทธเจ้าเทศที่ไหนก็ต้อง กลับมาถ้าท่านอนุนไม่ไปต้องมาเทศให้ท่านฟังด้วยจึงเก่งว่าใครทั้งหมดจํำก็แม่นอได้ฟังต่อมากกว่าใครทั้งหมดแต่ไม่ได้สําเร็จเป็นพระรหันนะพระพุทธเจ้านิพพานและต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละจนกระทั่งนึกว่าหมดหวังแล้วเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วพวกนี้จะทําชั้งขณะแล้วกิเลสก็ยังมีอยู่พระรหันก็มาให้เข้าร่วมปชมด้วยพระสง์ก็เตือนอนุ์เร่งพะนะ พวนี้จะสังเวนาแล้วนะแต่ก็ทิ้งพระอานอน์ไม่ได้แต่ถ้าไม่สาเร็จก็เอาเข้าที่ประชุมไม่ได้วัเลือกเอาแต่พลังหันทางนั้นท่านก็ว่ญญายามจนจนสว่างเหนื่อยแล้วนอนพักดีววกว่าไหนผู้บูรีเจ้าว่าเราจะได้สําเร็จวันผ่อนสังเวยนาก็เลยยกขาขึ้นพ่นพื้นจะนอนที่เตียงนั่งเตียงแล้วพอาลังจะเอินหลังก็ยกขาขึ้นนอนเนาะนอนเนาะนอนเนาะ ครับยังหัวได้ไมาถึงหมอนเลยขาก็เพิ่งพ้นเตียงขึ้นมาหลังก็งไม่ถึงเตียงในสําเร็จเป็นพระอารหรันต์เนพระอานอน์เรียนมากเพราะฉะนั้นฟังปฏิบัติจึงจะได้สําเร็จถ้าฟังเอาความรู้ไ่สําเร็จทะลาย ไ, ไม่สําเร็จมีคนเข้าใจว่าทําไมสมมติที่เจ้าฟังจุมสําเร็จเร็วนะักอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นท่านปฏิบัติมาแล้วฟังแล้วปฏิบัติไปด้วยถ้าฟังไม่ปฏิบัติเช่นพระอนนรเน่ะ ไม่รู้กี่ปีแเราตักปฏิบัติด้วยเจ้าก็ไม่ได้เป็นพาาระอรหันนะพระพุทธเจ้านิพพานแล้วจึงเป็นอย่างนี้เรียกว่าฟังปฏิบัติข้อที่ห้าตังปูทิศส่วนบนเราได้บุญจากฟังเทศแล้วก็อุทิศให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่างนั้นเขาเรียกว่าฟังอุทศทีนี้เราทั้งหลายนี่เป็นนักปฏิบัติที่นี่ให้ปฏิบัติถึงใครไม่เคยก็หัดแต่มาที่นี้ตังหลดที่หูมีเด็ดมากับแม่หบอก ที่หลวงพ่อเทศได้ยินอ๋อยินอ๋อก็ให้กําหนดที่หูนะอันท่าอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ขนันทาอย่างเดียวนะอาญตนะก็อยู่ตรงนี้ตรงไหนเป็นอาญตนะโถตาญตนะหนักหูนี่อาญตนะคือหูเสียงนี่เป็นสัทธาอาตนะอาญตระคือเสียงใจนี่เป็นมนาญตนะหนักอาญตระหกคือใจแหมเกิดที่เกิดเป็นธรรมายตนะเขามีอยู่แล้วนะไม่ใช่ไปหาที่อื่นอาญนะหธาตุไปอยู่ตรงนี้ หัวนี่เป็นโสตาธาตุ้วฮะเสียงนี่เป็นสัทธาตุเขาก็อยู่ที่นี้นะขันธ์ห้าอายาณธาตุสิแปดอินรีย์หัวนี่เป็นโสตินรียะอินทรียคือหัวมันก็อยู่ที่นี่นะเสียงนี่เป็นสัตินรียก็มีอยู่แล้วนะอาริยสัตซีเสียงกับหัวเป็นตัวทุกขสัตตัญหาก่อนก่อนที่ได้ยินเสียงเป็นสมุทัยสัตนี่เขามีอยู่แล้วนะอยู่ที่เดียวนี่แหละธรรมะไม่ใช่แตหาที่อื่น เราไม่เข้าใจนึวกว่าโอ้ยไปคนละแห่งมีบางคนจะไปกำหนดมาหาที่นี่กำหนดกายกายมันอยู่ตรงไหนไปหากายแต่กโหนดกายานุปนัสสนาเสร็จแล้วจะไปหาเวทนามันอยู่ตรงไหนจะไปหาจิตตานุปัสสนาจะไปหากาาหาำหนดธรรมานุปัสสนาที่จริงอยู่ที่เดียวกันพอกำหนดได้ยินเนอะยินเนอะที่หูเนี่ยโสตประสาทนั่นแหละกายจะภาษาทะูปก็คือกายหูนั่นแหละเป็นภาษา เราเรียกว่ากายานุปัสสนามันมีพร้อมอยู่ที่หูนี่แล้วแล้วเวทนาถ้าเรารู้สึกเฉยๆเวลาได้ยินเสียงแล้วก็ผู้เบขาเวทนาก็เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานผู้ที่ได้ยินแว่วๆนี่คือจิตมันก็เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานขันธ์ห้าที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นเกิด ข, ขึ้นได้ยินอะไรเกิดเพวัะนั้นก็เป็นธรรมานุปนัสสนาสติที่อโอนุได้ยินน้อก็เป็นสติสัมผัสของนี้ก็ธรรมานุปนัสสนา เสียงกับหูเป็นทุกข์ษัตริย์นี้ก็บธรรมานุปัสสนาไม่จบไปหาที่อื่นเพราะกำหนดได้ยินน้องมันถูกมดทั้งสีข้อเนี่ยปฏิบัติก็ต้องการอย่างนี้นะไม่ให้รู้มากรู้น้อยแต่มันถูกนะเพราะฉะนั้นจึงปลดกําหนดที่โหได้ยินน้องยินน้องยินน้อนะวันนี้จะเทศสรุปเรื่องนิดหน่อยวันตอนเช้าเทศที่โรงเรียนผู้ปฏิบัติที่นี่ไม่ได้ไปฟังผู้ที่อยู่โรงเรียนจะได้ฟังแต่นี่ไม่ได้ฟัง งั้นก็สรุปนิดหน่อยที่โรงเรียนเทศถึงเรื่องอัญญตระบุรุษเล่าเรื่องนิทานมีผู้ชายคนหนึ่งสมัยพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พะเวยรวันสวนไผ่แล้วผู้ชายคนนี้เป็นผู้ปฏิบัติอุปถาพระพุทธเจ้าด้วยเป็นหนุ่มโสดต่อมาพ่อแม่นำกุลสตรีนางหนึ่งมาให้เป็นแฟนให้เป็นภรรยาต่อมาอยู่ได้ไม่ทลยภรรยาชอบ ประพฤติไม่ดีนอกใจผัวผัวปละอาให้ชาวบ้านชาวเมืองเพราะตัวใจคิดประพฤติเจา้าไม่กล้าไปวัดเลิกทําบุญไม่ทําบุญใส่บาตรต่อมาก็คิดได้ได้ประมาณสามสี่วันก็ไปกราบประพฤติเจา้าเรียกทำอวราชกหายหน้าให้ตาไปไหนไม่เคเห็นมาสี่ห้าวันแล้วก็กราบทูลเรื่องข้อเท็จจริงให้ฟังอ๋อเรื่องนี้มันเคยมีมาแล้วนะ ฉันเคยเตือนเธอมาแล้วตั้งแต่นู้น ون. ก่อนต่างก่อนโน้น ون, แต่เธอลืมใช่เพราะพ บ, พบมันตกปิดนะอืมเมื่อไรพระเจ้าค่ะพระองค์ก็เล่าอดี ต, ตนิทานให้ฟังในครั้งก่อนโ น, น้นฉันนี่เป็นอาจารย์ที่สาปามุกเธอก็เป็นลูกศิษย์ฉันแล้วเธอเรียนวิชาจากฉันแล้วก็ไปมีภรรยาภรรยาเธอก็นอกใจเธอเธอก็มาหาฉันฉันจึงได้แสดงให้ฟังว่าอย่าไปโกรธเขานะ คนฉลาดเขาไม่โกรธผู้หญิงหรอกเพาเหตุไรเพราะผู้หญิงนั้นเป็นเหมือนแม่น้ําเป็นเหมือนหุนทางเป็นเหมือนโรงเหล้าเป็นเหมือนสลาพักร้อนแล้วก็เป็นเหมือนบอ่อน้ำํำคล้ายๆเป็นสาธารณะพระองค์ต่ัสว่าเป็นสาธารณสาธารคือมันทั่วไปใครเพราะมีสิทธิ์จะจะรักมาชอบได้ถ้าถูกใจเขาอะแล้วผู้หญิงก็มีสิทธิที่จะไปรักไปชอบได้ พระกิเลสมีอยู่เพราะฉะนั้นนักปราบปณิตเขาไม่โทษเขาไม่ไปโกรธในผู้หญิงคนนั้นเพราะรู้ตน้นต อ, นตอนแล้วรู้กําพืกของกิจมนุษย์มันเป็นไปตามห น, าน้ากิเลสได้ให้แก้ไขอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าหนึ่งเธออย่าไปโกรธเขาสองให้วางตนกลางเฉยๆสามให้ปรองสังเวท พิจารณาว่าที่เขาประพฤติอย่างนั้นมันเป็นของไม่ดีเรียกว่าอนาจารเรียกว่าลามกเรียกว่าเป็นธรรมอันสตกปรกเป็นของไม่ดีเธอก็ตปรงสังเวชใช่สี่ให้เจริญกรรมฐานพิจารณามันเป็นกรรมของเขาและกรรมของเราก็าจะได้สบายใจถ้าเสร็จแล้วประกาศอาจารย์กลบับเมียทราบว่าอาจารย์พองผัวสราบตัวประพฤ้นมาดีเลยเลิกทำชั่วในฉากนั้น ขันกลับมาเกิดชาตินี้ก็มาได้อุปถากพระพุทธเจ้าอีกแล้วก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอีกเมียก็คนนั้นแหละที่ได้กันในชาติก่อนน้นแหละตายแล้วก็ได้มาเกิดไม่ได้แต่งงานกันอีกถ้าประพฤติเราแหละเหมือนเดิมอีกจึงได้ไปกราบพระุทธเจ้าพระเจ้าจึงเล่าว่าเออครั้งก่อนฉันก็เคยเตือนเธอเดี๋ยวนี้ฉันก็จะเตือนเธออย่างนี้แหละผู้หญิงน่ะมีลักษณะประมาณห้าอย่างหนึ่งเหมือนแนม่น้ำสองเหมือนหนทางสามเหมือน ลงเล่าสี่เหมือนสารพัรอ้อดห้าเหมือนบ่อน้ำเพราะฉนะนั้นคนฉลาดบันดิตตาบันดิตทั้งหลายผู้คนมีความรู้เชกาคนเฉลียวฉลาดพุทธิสัมปนาคนมีความรู้ทางศาสนาดีนะอุทชันติไม่ต้องไปโกรธผู้หญิงเขาแล้วให้พิจรารณาเงินไม่ทำความโกรธในเขาสองให้วางใจเสมอเสมอวางอุเบกขา สให้พิจารณาว่าการกระทําอย่างนั้นเป็นคนใจดีเป็นมนทินบนความสมองใครๆก็อย่าไปทําแล้วสี่ให้พิจารณาถึงกรรมของเขากรรมของเราพระพุทธเจ้าสอนก็กราบพระพุทธเจ้าแล้วภรรยาทราบว่าพระพุทธเจ้าทราบว่าตัวพระพุทธไม่ดีก็เลิกทําชั่วทําดีต่อไปชายคนพระพุทธเจ้าจึงเทศทายฟังต่อไปอีกว่า การประพฤติอย่างนี้เป็นความประพฤติไม่ดีมันเป็นมลทินคือสิ่งที่ทําให้เสี่ยมองทางโลกเขาจะตีเตียนถ้าผู้หญิงคนนั้นถูกผัวอะไรนี้ก็ต้องไปหาพ่อแม่พ่อแม่ก็จะต้องดูต้อง ต, องตำหนิว่าเองเนี่ยไม่รักษาวงศตระกูลของพ่อของแม่ฉันไม่อยากจะดูหน้าเธอเลยฮะพ่อแม่ผูตวออาาตะเคยก็อาจจะหนีตำรวจเปิดเปิเป่ก็ลําบากไม่มีที่พึ่งเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นมลทินอัตรกระถาทานแก้ เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าสอนต่อไปอีกความตณีเป็นเพลงของผู้ให้แล้วมนทินที่มันยิ่งกว่านั้นยังมีคืออวิชชาเป็นมนทิมอย่างยิ่งจึงเดทเทศเป็นคาถาว่า hmm. มาริทธยาทุจริตังความประพฤติชั่วเป็นมนทินของสตรีตมัชเชรา ร, ทะทะทะารังททตโตมลังความตณีเป็นมนทินของผู้ให้ทานคนให้ทานโมเจพัตตา ท่านเล่าไว้ในบาลีว่าในอัตถาว่าสมมุติเราไถนาทำนาได้ข้าวแล้วขนาดที่กำลังไถก็คิดว่าธนาสมบูรณ์ได้ข้าวได้ปลาหารดีก็จะทำบุญอย่างนั้นอย่างนั้นทำสลากับพัดตกิกับพัดแต่ขั้นเส ร, ร็จแล้วไม่ถวายไม่ทำก็ขาดมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจึงชื่อว่าเป็นมนทินอย่างนี้เรียว่ามัดเชระมัดเชรังทัตโตมะลังสัมตณีเป็นมนทินของผู้ให้ทานประการที่สาม ตโตมะรามะระตรังมนทินที่ยิ่งกว่านี้ยังมีอีกอวิชาปรมังมลังอวิชาคือความไม่หลุดจักทางไปนิพพานเป็นยอดมนทินเอตังมลังปานตะวานะหนิงมานาโหตพิโภท่านผู้เห็นภัยในกตโสสารทั้งหลายท่านจงละมนทินอย่างนี่เสียเมื่อละได้แล้วท่านจะเป็นผู้ปลอดภัยจะไม่มีมณทินประเทศจบปฏิบัติตามชายคนนั้นได้เป็นพระโสดาบันจบแล้วนี่เทศ เมื่อเช้านี้ที่โรงเรียนทีนี้วันนี้เทศเรื่องอะไรวันเนี้ยเทศเรื่องขนทางทางสายเอกวันนี้ปลารสพริกษูบพวกหนึ่งห้าร้อยรูปพากันเดินทางมาเฝพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปในชนบทน้อยชนบทใหญ่ก็กลับมาสู่เมืองสวัสดีพระห้าร้อยรูปก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้านั่งสนทนากันคือคุยกันว่าเออท่านเอ้ย ทางจากบ้านนั้นสู่บ้านนั้นมันไม่ดีเลยห ก, กหกขักหเต็มไปเปลยปวดเดินก็เกี่ยวก็เก็บเท้าเก็บตีนสนทนาประเดีย๋ยวพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วถามโซพวกเธอสนทนาเรื่องอะไรกันล่ะเมื่อกี้เนี้ยค้างอยู่พูดอะไรกันพารนาถึงหนทางพระพุทธเจ้าทางจากบ้านโน้นมันก็ไม่ค่อยดีจากวันนี้ก็เป็นหลุมเป็นบอ่อจากบ้านโน้นก็มีปวดนีเห็นหกหกหักหักไม่ค่อยเรียบร้อย พิษสูรทั้งหลายพิษเขเวยอยังไผรมโคทางนี้มันเป็นทางนอกการที่พระกระทำกรรมในหนทางภายในเรียกว่าอริยมรรคนั่นแหละจึงสมควรถ้าพวกเธอทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้มันจะจะพ้นจากกองทุกข์นะแล้วพระองค์จึงได้เทศสอนเป็นบาทประาถาว่ามรคารถถังขิโกเศธโถมรไมองแปด คือวิปัสสนานี้ประเสริฐกว่าทางทั้งหลายสัจจานังจตุรุปทาอาริยสัจสีประเสริฐกว่าสัจจะทั้งหลายสัจจะคือของจริงเช่นอย่างสมมติสัจจะมันก็จริงชื่อคอชื่อขอชื่อคอชื่อหอกสมมติกันขึ้นจริงโย่แต่ว่าอาริยสัจสีประเสริฐกว่านั้นหลายหมื่นหลายแสนเท่าวิราโพเศธโถธรธรมนังวิราคะคือนิพพาน ประโยชน์กว่าธรรมะทั้งหลายในโลกทิฏฐานันจะจักโทมาพราะพุทธเจ้าคงมีดวงตาคือปัญญาประเยชน์กว่าสัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งเทวดาเอเสวะมคูนัฏฐานโยทัศนสวิสุทธิยาทางสายนี้แหละเป็นทางประโสชน์ที่สุดเป็นไปพร้อมถพกียความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อทัศนะเยตันหิตมเหปฏิปชาชาัจฉะขอชน ท่านถลายจงเดินทางสายนี่เถิดมารเสนับประมือหันังเป็นที่ลุ่มหลงของมานมานตามไม่ทันวานกวดหัวเอตันหิตุมเหตปฏิปันน่เมื่อพวกเธอทลายเดินตามสายนี่แล้วทุกขัดสันตังกริสสะจึงจะพ้นจากกิเลสและกองทุกขในวัฏสงสารได้นี่สมเด็จพ่อทานเทศสอนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เป็นสมนวนพสูตร เล่าถึงหนทางแทกพระอวิธรรมเข้าไปเมื่อพระองค์เทศจบพระสงฆ์เหล่านั้นก็ปฎิบัติวิัพสนพระองค์ยังเน้นต่อไปอีกนะอักขาตัวโอมยาหมกโคอัญญายะสนสานาัตสัทนะทางสายนี้ที่เราบอกพวกเธอเนี่ยมันเป็นสติสลัดอกักแห่งโลกสอนคือกิเลสนะที่ฉันบอกเธอไว้เนี้ยทางสายนี้มันเป็นที่สลัดกิเลสออก อาขาโตมายามโมโคอัญยายาสละสัทนะสละจิเลตังหาออกต้องเดินทางสายนี้กุงเห่เฮจิตจังอาตะปังเธอทลายจงรีบพยายามปฏิบัติเข้าอย่าชักช้าอยู่อาขาเตาตถาคตตาพระต า, าขาทดทลายเป็นแต่ผู้บอกผู้สอนนะส่วนปฏิบัติเป็นนาทีของเธอพากพวกเธอปฏิบัติได้อย่างนี้แล้วพยายามปฏิบัติอย่างนี้จึงจะพ้นจากบ่วงของมาร เมื่อเทศ จ, จบพระปฏิบัติตามสำเร็จเปลาหันมัดทั้งห้าร้อยจักรูกนี่คาถาวันนี้ทางทางอันประสื่อทางสาเอกอันนี้จะได้อธิบายคำว่าทางมีองศาได้แก่มักแปดที่เราปฏิบัตินี้นี่เรียกว่ามักแปลว่าหนทางที่จริงมักหนึ่งถ้าแปลตามตัวไม่ใช่ว่าทางหรอกมะมันมีสองตัวมะค่ะมะต ต, ตมมะราธาติเขาแปลว่าค่า ฆ่าตัวหลังเข้าไปว่าไปต่อกันเข้าเป็นมัคคแปล ว, ว่าธรรมะที่ฆ่ากิเลสให้ตายใอ้กิเลสนี้นั่นเรียกว่ามัคแปลว่าฆ่ากิเลสตายฆ่ากิเลสนี้ฆ่ากิเลสตายเขาเรียกว่ามัค ก, ก็รวมกันก็เลยแปลให้ง่ายๆว่าหนทางหนทางที่จะฆ่ากิเลสนั้นมีอยู่แปดเรียกว่าอัฐถังขิกมามัคแปลว่า ม, ามัคมีองค์แปดทางมีอ์แปดหนึ่งสัมมาทิฏฐิเห็นชอบ นี่เป็นปัญญาสองสัมมาสังโปกําหนดชอบนี้ก็เป็นปัญญาสาสัมมาวาจาวาจาชอบสสัมมากรรมปุโตการงานชอบ5สัมมาอาชูเป็นอยู่ชอบอันนี้เป็นศีลสมข้อนี้เป็นศีลแล้วก็สัมมาวายามโมจสัมมาสติสัมมาวิโมเพียรชอบจสัมมาสติระลึกชอบแปดสัมมาสมาธิตั้งใจชอบสามข้อนี้เป็นสมาธินี่แหละเรียก ว, ว่ามัสมีองค์8 หนึ่งเห็นชอบสองดำริชอบสองข้อนี้ย่อลงเป็นเดียวเป็นอันเดียวคือปัญญาสัมมาวจาวจาชอบสัมมากรรมโตการงาชอบอันมาชิวเป็นยู่ชอบย่อลงเป็นศีลสัสมมาวโย ม, มเพียงชอบสัมมาสติเขาชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบย่อลงเป็นสมาธิอันมักทั้งแปดยอดเลยเหลือเท่านี้ศีล ส, สมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญานี่ย่อลงมาเหลือข้อเดียวคือสติ เหลือสติตัวเดียวตอนนั้นเวลาปฏิบัติแต่เวลาเทศแล้วก็มาแปดข้อแต่เวลาย่าอเหลือสามย่อในแนวปฏิบัติเหลือพอเดียวคือสติถ้าเรามีสติถูกมัดเดี๋ยวนี้กําหนดที่หูได้ยินน้องยินน้องนี่คือสติถูกมดทั้งแปดข้อมาลองหาดูที่ตรงไหนเป็นสัมมาสติสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นอริยสัจสี่ตรงไหนเป็นอริยสัจได้ยินน้องนี่ตรงไหนเป็นอริยสัจหาดูที่ หนึ่งเสียงกับหูนี่เป็นตัวทุกขสัจจะอริสัจทุกขสัจต้องรู้โลยีกิตทั้งหมดแปดสิบอ็ดดวงเกจติิกห้าสิบเอ็ดดวงแล้วก็รูปยี่สิบแปดรวมเป็นหนึ่งร้อยหกสิบที่ตัวเรานี่มีนะจิต ก, ก็มีนะเกจตสิกก็มีนะรูปยี่สิบแปดก็อยู่ที่ตัวเรานะแต่และคนแบกบขอนทุกคนร้อยหกสิประสอบนะย่อข้าวเหลืหอห้าจิตทั้งหมดเป็นหนึ่งเป็นวิญญา ได้นหนึ่งแล้วนะแปดเสดนะเกจติิกห้าเสดเป็นเวทนาขันสัญญาขันสังขารขั น, ขนรูปยีแปดเป็นรูปขันเหลือห้าเห็นไหมร้อยหกสิบกสอบหลือห้าทีนี่ย่อจาก5้าเหลือสามรูปคงไว้เวทนาสัญญาสังขารเป็นนามเกจติชิกวิญญาณนามกิจในสามหนึ่งรูปสองนามเกจติชิกสัญญากิจย่อสามให้เหลือสองรูปคงไว้นามเกจติชิกนามกิจย่อเป็นหนึ่งเป็นนามก็เหลือสองคือรูปกับนามนี้แหละคือความทุกข์เรียกว่าตัวทุกขสัจจ เสียงกับหูเป็นรูปได้ยินเป็นนามนี้ตัวทุกขสัจในอันหนึ่งแล้วนะตัณหาก่อนๆที่ให้ได้ยินนี้เป็นสมุทัยสัจอนุสัยกิเลสสติที่ยงโนโดได้ยินน้อยนี่เป็นมรพัยรยสัจทนะที่กําหนดได้ยินน้อยกิเลสขาดไปกิตชาตินี้เป็นนิโรธอริยสัจเห็นไหมสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นอริยสัจสีเห็นอย่างนี้เบื้องต้นเห็นอย่างนี้เรียกวุภภาพาคามัชได้กินน้องมันผูกอริยสัจสี่หมดแล้วแต่ยัง เป็นเบื้องต้นถึงเบื้องต้นกิเลสก็ขาดนะเราไม่มาเกิดเป็นคนให้เขาเผาถึงเกิดชาตินั่นแหละจะเอาอย่างไรนี่ราคามันหาค่านี่ได้นะอะสัมมาสังกัปปะไปนิยมแปลว่าดําริชอบที่จริงไม่ใช่ดําริกับปัจฉาตกําหนดกําหนดชอบคือกําหนดออกจากกิเลสพอได้แก่ออกจากกลามกําหนดได้ยินน้องโลภะมันตายนี้คือกามได้แก่ตัวตัณหาพอได้ยินน้องนี่แหละเรียกว่าสังกัปปะ ตันหาตายไปถึงเจ็ดชาติเห็นไหมอือนี่เรียกว่าทังกับปะเป็นชื่อของปัญญาสองข้อนี้นะจดไปแล้วที่นี้สัมมาวาจาอยู่ตรงไหนไม่เห็นผู้นั่งกรรมฐานไม่มีใครคุยกันเลยไปเอาวาจาตรงไหนต้องเข้าใจให้ถูกนะสัมมาวาจามันมีสามหนึ่งกตนาสัมมาวาจาตั้งใจจะเทศทโยมให้พระฟังค้นหนังสือวัตถดกอัตถะดีกาสนาน อย่างนี้ไม่ใช่มักแปดเพราะเรียกกิตนาสัมมาวจจะเป็นกุศลกรรมบทตรชิตสองกถาสัมมาวจาเวลาเทศก็เทศนี้ไม่ได้ด่าใครเลยมีแต่ศินแต่ธรรมนี้เป็นกุศลกรรมบทตรชิตไม่ใช่มักแปดเพราะอะไรเพราะมีบัญญัติเป็นอารมณ์มีพระมีเนรมียมเป็นอารมณ์มีเขาเรียกบัญญัติไม่ใช่มักแปดมักแปดเขาต้องยึดขันห้าคือรูปกับน้ำเพราะฉะนั้น วิรตีสัมมาวจาพูดก็ตามไม่พูดก็ตามงดเว้นเด็ดขาดจากวจีทุจริตซีขณะนี้ท่านทั้งหลายทุกคนที่นั่งอยู่นี้ไม่มีใครพูดเท็จเลยพูดคําหยาบ ก, ก็มีพูดส่อเสียดก็มีพูดเพอ้อเจ้อก็มีนี่แหละเรียกวิรตีสัมมาวจ a อันนี้จะจะเป็นสัมมาวจาในมักแปดนอกนั้นไม่ใช่ที่หลวงพ่อเท็จแกวแก้ ว, กวอยู่นี่ไม่ใช่มักแปดอุศลเข้ามาบเดเชิดกิเลสไม่ขาด ทำไมต้องนดัดท่านทั้งหลายได้ยินน้องกิเลสจึงจะขาดหลวงพ่อเทศเท่าไรเท่าไรทั้งคืนกิเลสก็ไม่ขาดแต่ได้บุญไม่ได้บาปได้มหากรุชนแต่ไปแค่สวรรค์ภบชาติยังไม่ขาดแต่ต้องกําหนดมันจึงจะขาดนะเนี่ยนี่แหละสัมมาวจจะในมรรคหมายอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อไปเทศวันนี้หนึ่งเทศโรงเรียนสองเทศในโบสถ์สกรรมฐานในโบสถ์ในโรงเรียนสามสกรรมฐานในโบสถ์สเทศก็ประโยชน์ ดูสิเราพ่อไปเทศเราเมื่อไรหนอท่านทั้งหลายมรทั้งแปดมันเข้าพร้อมกันคณะจิบนิดเดียวเท่านั้นกัดเดียวมันเข้าหมดทั้งแปดมันจะมาพร้อมกันในอย่างไรลองคิดดูสิ น, นั่นไม่ใช่มรแปดมันพร้อมไม่ได้ท่านนั่งดูได้ไดยินน้อเนี่ยสัมมาวิชาท่านมีพร้อมแล้วเพราะทุกคนไม่ได้พูดเทศพูดคาหยาบเลยนั่นแหละท่านเว้นแล้วใช่ไหม ก็เ่อไม่พูดมันจะเป็นบาปยังไงก็ไม่เป็นมันก็ถูกแล้วนะอ้าวได้ไปแล้วสัมมาคัมมันโตเหมือนกันการงานชอบเนี่ยมันแบ่งเป็นสามหนึ่งเกีตนาสัมมากรมมันโตท่านถลายตั้งใจจะมาเดินตรงตรงนี้ยังไม่ใช่มักแปดสองยถาภะสัมมากรมมันโตเวลาท่านจัดทํางานท่านก็ทำเต็มที่กวดเลือนเช็ดโต๊ะเช็ดเก้าอี้อะไรนั่นเป็นการงานชอบแต่ไม่ใช่มักแปดไถ่ไร่ไถนาก็ตามไม่ใช่มักแปดมันเป็นกรรมเบอร ส่วนข้อที่สามวิรตีสัมมารกรรมเตท่านนั่งอยู่อย่างนี้กําหนดได้ยินน้อยินนอเนี่ยท่านงดเว้นแล้วใช่มจากกายจาทุตจริตสามข้าสักด์ก็ไม่มีรักทัพก็ไม่มีประพฤติผุดประเวณีก็ไม่มีจะมีได้อย่างไรเพราะใจของท่านหยุดหูได้ยินนอยยินนอยินนอยินนออย่าง น, น, นี้เนียเขาเรียกวิรตีสัมมารกรรมันเตมีขันห้าเป็นอารมณ์อัเนี้ยอย่างไปทําไรแค่นามีบัญญัติไม่ใช่มักแปดคนละเรื่องนะ ไกลกันอยู่นะในที่นี้สัมมาอาชีว์เป็นอยู่ชอบก็มีสามีสองหนึ่งวิริยะสัมมาอาชีวะเราเป็นอยู่ชอบด้วยคนเพียนไถนาขยันทํานาขยันทําสวนขยันค้าขายขยันรับเป็นข้าราชการเรามีหน้าที่อะไรขยันไม่หน้าที่อันนี้เขาเรียกวิริยะสัมมาอาชีวะเป็นอยู่ชอบเพราะอาศัยความขยันมันเพียนเพื่อให้ได้ปัจจัยสีไม่ใช่มักแปะ ถ้าอย่างนั้นไปไถนาก็เป็นมัก 8, แปะเราเมื่อไรมันจึงจะเข้าตามกันได้มันจะมาคอยกันได้ยังไงส่วนวิรตีสัมมาอาชีวะเป็นอยู่ชอบเพราะงดเว้นเด็ดขาดจากกายทุติริสามจากวจีทุติยริสีนี้จะเป็นสัมมาอาชีวะในมักแปะอย่างท่านทางไหลเดี๋ยวนี้พูดเท็จก็ ม, มีพูดคําหยาบก็มีพูดส่อเสียดก็มีพูดเพื่อเจอกรณีคารธรรม ต่อพื้นชั่วทางกายก็มีทางวาจาก็มีทางใจก็มีมีงดลดเด็ดขาดจากกายทุติจาริสามจากวิจิตริตรสี่นี้เขาเรียกสัมมาอาชีวะเป็นอยู่ชอบไม่ใช่เลี้ยงผิดชอบโยมเป็นอยู่ชอบพระเป็นอยู่ชอบชอบพระเป็นอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นคนเป็นไม่ใช่คนตายและก็เป็นอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาเขาเรียกเป็นอยู่ชอบไม่ใช่เลี้ยงผิดชอบเลี้ยงผิดชอบมันเป็นคนละอย่างนั่นมันเป็นทางโลก นี่สัมมาให้เป็นนี่เห็นไหมมันอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดแล้วเดี๋ยวนี้นมีมรรคแปดได้เป็นหกข้อที่นี่สัมมาวายาโมเพียรชอบคือเพียรในที่ศีรษฐานหนึ่งสั ง, งวรรประธานเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานบาปอะไรหนอโลภโททะเกิดไปได้ได้ยินน้องยินเนอะยินน้องยินเนาะ น, น, นี่เรียกว่าสังเวชแต่ว่ากันกั้นไม่ให้มันไหลเข้ามาเลย จะไปดีใจเที่ยงใจไม่เกิดยินเนาะยินน้องยินน้องยินเนอะยินเนาะสติมันตับไม่ตับไว้ตัดไวโลภโทนตัมหะเข้าไม่ได้เหมือนกับแสงในอ่อนเมื่อท่านเปิดในออนนับมืดหนีในเหมือนกันสติอยู่ที่หมืออะไรเมื่อนั้นเขาเข้าไม่ได้หนึ่งตั้งใจสองคอยจ้องสามคอยจับกิเลสเข้าไม่ได้เลยสติเตสังในวรณังสติเป็นเครื่องกันเครื่องกันกระแสกิเลสทั้งหลายเนี่พระเจ้าแสดงไว้ในพรัยตรปิฎกเพราะฉะนั้นถ้าเรากํางบทอยงนี้กิเลสเข้าไม่ได้นี่แหละ สัมมาวายมะเพียรชอบสังวรประทานเพียรระวังไม่ให้บาเปเกิดขึ้นในสัมดาลสองปหานประทานเพียรละบาทปที่เกิดแล้วให้เสื่มไปบาปตัวไหนไปฆ่าใจไปฆ่าติดไปฆ่าวัวฆ่าไปฆ่าคนตายมามละได้หรือละไม่ได้และบาปอะไรที่ละได้แล้วละบาปที่เกิดแล้วให้เสื่มไปปหานประทานเพียรละบาปที่เกิดแล้วให้เสื่มไปบาปในที่นี้มหมอัตโนใสกิเลส มันติดมาจากพกผ่อนฉาผ่อนรักได้พองน้องได้ยินน้องอนุใสใหขาดไปเกิดชาตินี่คือบาปบาปเก่าๆที่มันติดมาแล้วเราจะเอาเออกได้ยินน้องบาปนั้นขาดไปกิดชาตินี่คืออนุยัยนอนน้องอยู่ในใจมันจึงจะขาดได้ยินน้องได้ยินน้องนี่บาปที่เกิดแล้วได้แก่อนุสัยกิเลสไม่ใช่บาปใหม่บาปที่มาฆ่ามาลักมาขโมยละไม่ได้ และได้สังเก่าอนุสัยโนดสามภาวนาประธานเพียงบำเพ็ญศีลสมาธิให้เกิดได้ยินน้องศีลสมาธิเกิดได้ยินน้องยินน้องยินน้องยินน้องศีลสมาธิเกิดเรียกว่าภาวนาทําให้เกิดบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยมะเข้ามากเข้าเรียกว่าซ้อนเรียกว่าอธิอธิศีลให้มันเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอธิเปรว่ายิ่งเปรว่าซ้อนเปรว่าทับสูงขึ้นสูงขึ้นฟองน้องศีลเกิด สมาที่เกิดไปเกินยุดน้องแตกน้องเนาะเกิดเรื่อยเกิเลยเขาเรียกอธิหมดถึงญาณที่ห้านั่นสมบูรณ์แบบอธิศิลถึงมัรคญาณอธิศิลร้อยเปร์เซนต์โอเดเจ้าจึงตัด่ะอธิสัญญาณศีลสิกขาสิกิตตพะอธิจิตตสิกีาสิกิตตพะอธิปัญญาสิศีาสิกิตตพะนี่สอนพระใหม่ทุกองค์อุปชาต้องสอนเธอจงศึกษาอธิศิลอธิจิตอธิปัญญาคือวิปัสสนากรรมฐาน นี่แหละเรียกว่าสัมมาสติสัมมาวัมมะะภาวนาลัคนลัคนาประธานหนึ่งสัมวรประธานสองปหานะสามปนาสี่อนุรักคนารักษาใจเฮ้ยมันอยู่กับพูกกับน้ำไม่ไปที่อื่นหองน้องได้ยินน้องก็อยู่ที่หูวนี่เรียกอนุรักคนาตามรักษาใจไว้ปดไปแนวทีนี้สัมมาสติระลึกชอบระดึกในสติปัฏฐานสีได้ยินน้อง นี่แหละหูของเราเนี่ยหลเรียกว่ากายานุปัตตนาสติปัฏฐานแล้วเราได้ยินน้องรู้สึกอย่างไรขณะ น, นี้ดูตัวของเราถ้าใครสบายนั่นแหละสุขเวทนาก็เป็นเวทนาถ้าใครเฉยนั่นแหละอุเบกขาเวทนามีทุกข์ก็ไม่สุขก็ทุกข์ไม่ทุกข์ก็เฉยพอกำหนดได้ยินน้องไม่สุขก็ทุกข์ไม่ทุกข์ก็เฉยสุกขก็ตามทุกข์ก็ตามเฉยก็ตามเป็นเวทนาค่ะเป็นเวทนานุปัตตนาสติปัฏฐาน ทีในี้ใจของเรารู้ได้ยินน้องยินน้องนี่คือจิตมันรู้นี่ก็เป็นจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเกขันห้าได้ยินน้องขันห้าเกิดรูปเราเกิดนี้ธรรมานุปัสสนาสติที่อหค์ได้ยินน้องได้ยินน้องนี่สติสัมโพธิงก็ธรรมานุปัสสนาเสียงกับหูเป็นทุกข์กับจั่งนี้ก็ธรรมานุปัสสนาต้องรู้องค์ธรรมมันก็ง่ายเนี่จบไปแล้วเห็นไหม สัมมาสติระลึกชอบคือระลึกในสติปัฏฐานสี่ที่นี้สัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือเจริญฌานตรงไหนแล้วมันเป็นฌานท้องเข้าใจฌานมีสองหนึ่งลักคนูปนิฌานเพ่งพระไตรรักษ์สองอารมณูปทานเพ่งอารมณ์สี่สิบหรือสามแปดนั่นเป็นสมมติฐานเราเจะเลนี้ปััชนาเรียว่าลักคนูปนิฌานเข้าไปเพ่งพระไตรรักษ์ได้ยินน้อง ยินน้อนนี่ท่านเพ่งอนิจจังเพ่งทุกขงังเพ่งอนัตตาตรงไหนมันเป็นอนิจจังเสียงกับหูเป็นรูปได้ยินเป็นนามเห็นไหมพอหยุดพูดมันหายนะหายแล้วเมอร์หายแล้ ว, าลวอาการที่เสียงเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนะกนี่ขันห้ากเกิดแล้วเมอร์นี่ขันห้ากเกิแล้วหยุดพูดมันกระดับแล้วนั่นคืออนิจจังนั่นคือทุกขงังนั่นคืออนัตตาท่านเราต้องได้ยินน้อง น, นี่เขาเรียกเข้าไปเพ่ง ภะไรมรคืออนิจจังทุกขังหนักตานี่เรียกว่าลัคนูปนิชพานจบหมดแล้วใชมหาแต่ละพ่อมันมีอยู่ทีเดียวแต่เมื่อรวมแล้วก็เหลือศีลสมาธิปัญญาได้ยินน้องกายกรรมวิชีกรรมเลสุดเป็นศีลใจไม่เผลอจากเสียงเป็นสมาธิรู้ทุกขณะเป็นตูปัญญายอที่สุดเหลือพ่อเดียวคือสติได้ยินน้องยินน้องยินน้องสติอยู่ที่หั ตรงนี้แหละเรียกว่าเป็นมักแปดกำลังทำหน้าที่ของเขาแต่ยังไม่สมบ100ูรณ์้อยเปอร์เซ็นเข้ายังไม่พร้อมกันในยานที่1นยานที่สองสามสี่ห้าถึงยานที่1ิบสองมักแปดได้เข้าเกือบพร้อมกันเก้าสิบเก้าปอร์เซ็นแล้วเห็นรูปเห็นนามเกิดดับชัดวัดดับลงไปตอนฟองลุกตนันยุเพอถึงยานที่สิบสามโคตรประภูญทิ้งรูปรนนามตรงนั้นมักแปด เก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์ซ็นตยังไม่เต็มร้อยปเซพอถึงมัคคายานพยานที่สิบสี่เมื่อใดเมื่อ น, นั้นมัคทั้งแปดพร้อมกันวัดกิเลสจึงจะขาดปฏิปทาน 4, สีมม่สมปทานสี่อิทิบาทสีอิน 5, ร 5, ทรีห้าพระห้าสดทงเกตมัคแปดสามสิบเจ็ดประการพร้อมกันในขณะจิตดวงเดียวเรียกว่ามัคกคกิตขณะเดียวเท่านั้นใกล้เดียวกิเลสจึงขาดขาดตรงนัะทำไมถึงตรงนั้นไม่ขาดนี่เรียกว่ามัคขวิธี วิถีกิจที่จะค่าเกิเลส ข, ขณะเดียวกิจเดียวเท่านั้นสมมุติอย่างนี้ฟังนะนี่กิจเกิดดับสิบกิจครั้งเอามาหนึ่งครั้งจะนานแค่ไหนเมืม่อนิ่กิจเกิดดับสิบกิจครั้งเอามาหนึ่งครั้งนั่นคือมักเรียกว่ามัคควิถีนั่นแหละกิเลสขาดตรงนั้นถึงไม่ผ่านตรงนั้นนิดเดียวแป๊กเดียวเท่านั้นเหมือนฟ้าแลบแป๊กเดียวเขาก็ไปแล้วนี่คือมัคควิธีเพราะฉะนั้นทางสายนี้แหละ ที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราเดินเอตันหิตุมเหปฏิปัติฉัฏฐ์เชิญท่านทลายเดินทางสายนี้เถอะเทตันหิตุมเหปฏิปันนาถ้าพวกท่านเดินทางสายนี้แล้วมารับเสนนับประโมหนังมนันมันก็ตามไม่ได้ตามไม่ทันมันหลงทางแล้วทุกขัดสันตังกริพตระทะท่าทนจะทําที่สุดแห่งวัตรทุกหมายวัตรทุกในวัตรสงสารเราจะไม่ได้มา ประสบอีกแล้วมันก็ถึงนิพพานแม้ถึงครั้งเดียวนิพพานครั้งเดียวก็เกิดโน่นสวรรค์ชั้นสวรรคดึงหรือชั้นดุสิตนั่นแล้วไม่ต้องมาเกิดเมือง ม, มนุษย์แล้วศพก็ไม่ต้องเผาแล้วเป็นเทวดาครับหายหมดถ้าเทวดาจุติไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีอะไรเลยอแต่มนุษย์นี่ยมันยังเหม็นยังเน่าเพราะฉะนั้นเป็นเทวดาแล้วเขาก็ยังวิเศษแล้วถ้าหากว่าได้เห็นนิพพานครั้งเดียวเห็นอริสสีครั้งเดียว ความหมายความาประเสริฐแน่มันต้องมาเวียนไหวใจเกิดเร็วโลกมนุษย์แล้วติดประตูบายเด็ดขาดแล้วพอพูดได้อย่างจรงจังว่ามรรคานถังทิโกเ็ธโถผลทางคือมรรคแปดนี่เป็นทางที่ประเสริฐที่สุดของาหนทางทั้งหลายสัจจังนังเจตโปรปทาอริยสัตติทุกสมุทัยโรมักนี้แหละประเสริฐที่สุดกว่าสัจจังทั้งหลายดังนั้นบริษัทธของพระพริเจ้าพระองค์จึงสแสดงไว้สอง หนึ่งอนารยะบริษัทบริษัทที่ไม่ประเผยสองอริยะบริษัทบริษัทที่ประเิฐเราจะเอาบริษัทไหนเข้าทำงานกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าอนารยะบริษัทบริษัทไม่เปิดเิฐคือบริษัทที่ไม่เห็นอริยสัจสี่ไม่รู้ทุกขสมุทัยนิโรธมากบริษัทอย่างนี้เรียกว่าบริษัทไม่ประเิฐบริษัทที่ประเผยคือบริษัทที่เห็นทุกขสมุทัยนิโรธมาก เราจะเห็นได้ต้องเจริญวิปัสสนามีอยู่ทางเดียวเท่านั้นแม้เดี๋ยวนี้ทุกสมุดไทยมีร่มมักก็มีอยู่แต่เรายังเห็นอย่างนี้เห็นแคบอุโมกข์ทยานยังไม่ถึงปัตติวทยะรู้อยู่ว่าเสียงกระเพื่ที่กระทบตันนี้เป็นตัวทุกขอริยสัจปัญหาตอนที่ให้เราได้ยินเสียงเป็นสมุดไทยอริยสัจสติที่โงนได้ยินเนอะยินหนอเป็นมักคอริยสัจ ขณะที่กหนดได้ยินน้องกิเลสตายไปเกิดชาติเป็นนิโรธอริยสัจระทร า, ารู้รู้อย่างนี้ดีอยู่กิเลสมันก็ขาดไปทะเลเกิดชาติกิดชาติดีแค่รู้เท่านี้ยังได้กําไรเราจะต้องมาถูกเขาเผาต่างหลายชาติถ้าเราขยันปฏิบัติท่านกล่าวว่าพระองค์ใดเ น, นองค์ใดผู้ชายคนใดผู้หญิงคนใดปฏิบัติขยัน ในบาลีท่านกล่าววันหนึ่ง24ชัวโมงนับปฏิบัติคนนั่นขยันปฏิบัติ20ช่วมเวลาสําเร็จเป็นพระโสดาบันเกิดผลเดียวเท่านั้นเพราะขยันมากพิเรศมันขะมากหมายเขามาได้สําเร็จพระโสดาบันแล้วทีกับพิชิมีเพื่อผลเดียวเกิดผลเดียวตายจากมนุษย์เกิดสวรรค์เลยสมมติเกิดสวรรค์ชั้นดาวดึงสักเดี๋ยวก็ต่อไปเกิดชั้นเอ่อดาวดึงกับชั้นยามาเนี่ย ประเดี๋ยวเกิดชั้นดุสิตแหละปรเดี๋ยวเกิดชั้นนิมมารดีประเดี๋ยวปริมิตตสวัดีเป็นพระหันเลยไม่ต่อมาเกิดมนุษย์อีกแล้วนั่นแหละเกิดผลเดียวหมายความว่าเกิดชาติเดียวแต่ไม่ใช่ไม่ใช่นั้นนะอที่เราเมื่อกี้ยังพลาดไปนิดนึงนั่นก็ยังเกิดหมายความสมมติไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวเดืองจากมนุษย์นะแล้วปฏิบัติวิปปนาบนสวรรค์เป็นพละหันเลยฮะมันเป็นแล้วอย่างนั้นเรี๋ยวไอเอ็กับพีชีเกิดผลเดียวเพราะขยันมากทีนี้ตกเกิดสองหนขยันน้อยมาหน่อย วันหนึ่งยี่สิบชมันวนึงยี่สิบสี่เอาแต่สิบชมงสิบเอ็ดชมงสิบสองชมงถ้าสําเร็จเป็นพระโสดาเกิดสองชาติสามชาติสี่ชาติห้าชาติไม่เกินหกชาติเป็นพระหลานแล้วเรียกว่าโกลังกุละจากตระกลูลสู่ตระกลูลสองชาติสามชาติแล้วถ้าขี้เกียจหน่อยวันหนึ่งจะเอาแต่สองชมองสามชมองคุยบักนอนบักแต่ก็ยังปฏิบัติอยู่ถ้าได้ผลเป็นพระโสดาบัต เรียกว่าตััขตตุ ก, ตกตรามะเกิดเจ็ชาติไม่เกินแปดไม่ไม่ชาติทแปดไม่เกิดนี่หาวภาพของมรรคเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าหนทางสายนี้คือมรรคมีองค์แปดนี้แหละเป็นทางกระเสริฐที่สุดของหนทางทั้งหลายเมื่อปฏิบัติแล้วจะเห็นอริยสัจสี่อริยสัจสีก็เป็นของประเสริฐที่สุดกว่าสัจจะทั้งหลายบรรดาของจรงทั้งหลายในโลกอริยสัจนี่เป็นของประเสริฐที่สุดกว่าสัจจะทั้งหลาย พระองค์จึงสอนให้เราท่านหลายประกันเดินสายนี้เรากําลังเดินอยู่เดี๋ยวนี้ ย, ยินหนอยินหนอเนี่เราเดินทางแล้วเราปฏิบัติแล้วขอให้ได้องค์สามหนึ่งอาตาปีตั้งใจสองปฏิมามีสติสามสัพพิชนมีสมัมมานี้ตัวปัญญาเมื่อ ว, วานนี้มีคนถามปัญหาเชิงโจงตีว่าหนอหน อ, หนอที่กําหนดหนอหนอเนี่ยไ ม, ไม่ไม่ได้พิจารณาขันห้าไม่ได้พิจารณารูปนามมันจะเกิดปัญญาได้อย่างไรเนี่เขาถามอย่างนี้ เพราะว่าพวกเราปฏิบัติหนอเนี่ยไม่เกิดปัญญาฟังให้ดีดีนะนับอภิธรรมก็ด้วยที่ถามอย่างนั้นลืมอภิธรรมเรือ่ององไรก็ไม่ทราบโปรดฟังให้ดีปัญญานี่มีสามขั้นหนึ่งสุตะมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังดังที่ท่านฟังถ้าฟังเอาคงรู้มันก็เป็นปัญญาขั้นหนึ่งสองกินตามปัญญาฟังแล้วคิดนี่ก็เป็นปัญญาขั้นหนึ่ง สามภาวนามย์ปัญญาขั้นนี้คิดไม่ได้ถ้าไปฟังจำก็เป็นสติถ้าไปฟังคิดก็เป็นจินต์ตาแต่เราต้องการภาวนามยปัญญาปัญญาคันนี้เกิดจากการเจริญวิปัสสนาขณะนี้ท่านกัมหณฑลได้ยินเนอยินหนาะท่านลองหาสิปัญญาอยู่ตรงไหนที่เขาว่าไม่มีปัญญาถูกเหลือกัมหนฑลได้ยินหนาะไม่ได้พิจารณารูปนามเขาว่าอย่างนั้นเอาเราลองหารูปนามกับปัญญาดูก่อน ได้ยินหนอนี่ไม่ได้พิจารณารูปนามหเลยเสียงกับหูเป็นรูปหรือเปล่าลองตั้งปัญหาถามนะได้ยินหนอนี่กําหนดเสียงกับหูนะเสียงกับหูนี่เป็นปปรูปตะขันแล้วใจเป็นนามเป็นวิญ ญ, ญาณ น, นั้นวิญ ญ, ญาณ น, นั้นเป็นนามเสียงกับหูเป็นรูปได้ยินเป็นนามได้ยินหนอน่มันถูกหรืผูกนามทําไมจริงจะว่าไม่ถูกเหมือนอย่างนี้นายโยมเหมือนโยมเห็นอัตมาเนี่ยโยมก็บอก โยมไม่ต้องเรียกว่าเจ้าคุณเทพมาแล้วจูบันเทพมาแล้วมันต้องเรียกหรอกพอเห็นปุ๊บมันก็ถูกปักทันทีเลยโยมเห็นคณะห้าโยมมันไม่ต้องตะโกนว่าคณะห้าคณะห้าพอเห็นปุ๊บมันก็ถูกปักบเลยอัตมาหินโยมของกันไม่ต้องตะโกนโยมโยมหรอกพอเห็นปุ๊บมันก็ถูกโยมเลยอันนี้ก็เหมือนกันพันได้ยินหนอเสียงโปโหเป็นรูปได้ยินเป็นน้ามันถูกอยู่แล้วไม่ต้องไปว่าอะไรแล้วโยมเลยนี่แหละเขาบอกว่าเอ๊ะไม่ถูกรูกถูกน้ำ ไม่พิจนารณารูปนะาทีนี้เขาบอกไม่เกิดปัญญาโยม้องหาปัญญาอะไรมันเป็นปัญญาใ น, ในแนวปฏิบัตินี้พระพุทธเจ้าตรัสให้ได้องสามหนึ่งอาตาปีมีความเพียรเผาเกลห้ร้องทั่วคือขยันทำสองสติมามีสติสติโยก่อนได้ยินน้องยินน้องยินน้องนี่คือสติสามสัมปัชโนมีสัมปช νο, มัมปชญะ สังรร่งแตัว่าพระอมปะไปทั่วย่าไปรู้ยาธาตุนี้แหละตัวปัญญาสัมปะชัญญาใ น, นปัญญาเห็นไหมกำหนดได้ยินนอ้องนี่ตัวสัมปัญญาที่รู้ทุกธขณะนั่นคือปัญญาทันไหมจึงหาปัญญาไม่เห็นนี่ลองนึนกดูสิเมพอหมดถ้าไม่เป็ญยากิเลสขาดไม่ได้ได้ยินนอ้องกิเลสขาดไปเจตธาตเพราะตัวสัมปะชัญญาองค์ธรรมคือปัญญาเจตสิกปะบทหน้า สังบทหน้าปะบทหน้ายาท่าเป็นไปในความรู้นี้แหละคือปัญญาท่านมันกำหนดไดยินน้องปัญญามันมีพร้อมทุกขณะเลยทําไมจึงว่าไม่เกิดปัญญาหน้าคิดไหมนี่คือความรู้ไม่เข้าขั้นไม่ถึงจริงอภิธรรมก็ไม่เก่งจริงนจะเอาปริยัตก็ไม่เก่งจริงเอาปริยัตก็ไม่ได้เองและยังจะมาค้านอันนี้หนักนะปริเจ้าแบาปหนะักในพระไตรปิฎกเมื่อกี้นี่ดูเล่นที่ยี่ส กล่าวว่าถ้าปุณใดมาค้านธรรมะของปุริเจ้าที่ถูกแล้วมันเป็นประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากให้เกิดความสุขแก่คนเป็นมากแล้วมาค้านอย่างนี้พุริเจ้าอาอักุญยังปสสวติปสบบาปมากแล้วก็เป็นเหตุให้ปฏิเสธคําสอนของปุริเจ้าด้วยเออเมื่อถูกแล้วอะคนอื่นแทนที่เขาจะได้ความปฏิบัติให้ได้มักเดผลก็มาค้านใช่ก็เป็นเหตุให้ได้บาปมากทากล่าวว่าภิกษุทงลายก็ตะ อุบาสกอุปนิสกาทหลายก็ตามถอดปฏิเสธของที่มันถูกแล้วซึ่งคนอื่นเขาทําทั่ววันทั้งเมืองเขาดูผลเขาสุขเขาสบายใจนะฮะแล้วมาปฏิเสธมาค้านเพื่อจะกันท่าเขาอย่างนี้พระองค์ตรัสะวะ่ามาะกเป็นการปฏิเสธเป็นธรรมวปฏิรูปให้พระสัธรรมเสื่อมพระองค์ถือว่าอาศัยการปฏิบัตินี้ได้บาปไม่เฉยบุนเลยดังนั้นเราทั้งหลายโปรดพิจารณาให้ดีให้ระวังอะไรให้มีปัญญา ภาศาสานาเป็นอยู่ได้ด้วยปัญญาแต่คนไม่มีปัญญาแล้วก็เป็นไปไม่ได้บางทีมันเหมือนกับควายตาบดทันวอย่างนั้นโนเจอาสสะสกาปุ ธ, ธิวิเนียวาสุสิกิโตอันเนอันธมหฮีสวะพะยะโขโขโฉนุทนเป็นอันมากปกัตตนประพฤต ป, ป, ป, ปฏิบัติเหมือนควายตาบดว่านักพระบริจ้าวัวเองนะเนี่ยทำไมมีความรู้เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วก็ปฏิบัตผิดผิดถูกๆูกทันว่าอย่างนั้นทั้งที่ถูก หามว่าผิดก็เพราะไม่มีตัวรู้ถึงนนขณะที่ได้ยินนอ้องนี่เขามีปัญญาพร้อมเสร็จกิเลส จ, จึงขาดไปถึงเกิดชาติกิเลส จ, จะขา ด, ไ ม, าขาดมไม่ใช่ขาดเพราะศีลไม่ใช่ขาดเพราะสมาธิขาดด้วยปัญญาหรือเพราะสัมมาทิพถนั่นแหละมันถูกแล้วสูงขึ้นไปจึงจะเห็นอนิจจังชัดกําหนดได้ยินนอ้นนองน้องขาดเวทลงไปนั่นแหละอุทยะพ ย, ยายามพยายามสี่นั้นตัวปัญญานะถ้าจับได้พักว่าขาดตรงไปตอนไหนโน้นอนุโลมญาณโน้น อย่างที่สิบสองล้วนแต่เป็นปัญญาทั้งนั้นสิบหกขั้นคือปัญญาอรละทัานสาูุชนผู้ใจบุญทหันไหลเกิดเสถรนนิกพวกข์บัดนี้ก็เวลาสามทุ่มสมควรจะ เ, เวลาแล้ววันนี้ขอเนเวลานิดหน่อยก็จะข อ, อยิตติไว้แต่เพียงเท่านี้